เทศในที่ประชุมพระวันที่1 0สิสสสคงหาคม2555ณวัดป่าบ้านสามจาังหวัดอุดรธานีพระพุทธเจ้าท่านกระเด็ดออกบัวหาตะฐานที่ฮีเวสเป็นจิติ่งตนของพระ เริ่มแรกตั้งแต่พระองค์เจ้าเสด็จออกบวชจนกระทั่งถึงว่าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาการประกอบความเพียรของพระองค์ก็ประกอบในที่สงัดอยู่ในที่สงัดเรียกว่า พระอิยาบททั้งสี่ของพระองค์เป็นไปด้วยความสงัดทั้งนั้นมณขณะที่พระองค์เจ้าจะตรัสรู้ก็ปรากฏว่าในตรัสรู้ในที่สงัและเวลาอันสงัเทียว่าปัดขินมนยาม เป็นยามที่สงัดอย่างยิ่งบรรดาสาวกทั้งหลายที่พระองค์เจ้าด้ทรงสั่งสอนก็ดำเนินตามแนวทางของพระองค์เจ้าจนกระทั่งได้ตรัรสรู้มีความอยู่สังัด คือสังดทั้งทางกายสังกัดทั้งทางวาจาสังกัดทั้ง ท, งทางใจกายก็ไม่มีการคุกขีกับมูคนทั้งเคยหัดเลยบันทัศนด้วยกันต่างองค์ข้อต่างหาที่สังกัดทิเวศ วาจาในเมื่อไม่มีเกี่ยวกับสูุงชนหรือหมู่เพื่อนแล้วก็ไม่เป็นของจำเป็นที่จะต้องใช้เมื่อไม่มีสิ่งเกี่ยวข้องก็ยอมจะมีความสงบลงได้เลย เพราะเหตุนั้นกายจวิเวศจึงเป็นบาดฐานที่จะทำให้จิตได้รับความสงบได้เป็นอย่างดีองสมเด็จพระคูมีพระภาคเจ้าท่านได้ทรงดำเนินมาอย่างนั้นตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่ทงถึงวันได้ประสริไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได ตรงสนใจกับผุงคนใดๆแม่ที่สุดเวลาพระองค์เจ้าได้เสด็จเข้าไปบินพระบาทก็ไม่ปรากฏว่าได้สนทนากับใครใคร หรือแสวงหาใครมาเป็นเพื่อนพระองค์เจ้าในเวลาที่พระองค์เจ้าทรงบำเพ็ญก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้นี่แสดงว่าพระองค์เจ้าทรงแสวงหาที่สงัดฤเวสหรือมีความชอบในความสงัดประจําพนิสัยของพระองค์ แม้ได้จัดะรู้แล้ว้อทรงทาหน้าที่ในความเป็นพระพุทธทเจ้าเพราะเห็นนั้นความสงัดวีเรศจรึงเป็นสินจำเป็นที่สุดสำหรับท่านผู้มีความมุ่งต่อสันติธรรมที่พระองค์เจ้าทรงเคยสง่ังความสงัดวีเวศนี้ มีหลายชั้นสงัดอยู่ตามธรรมนาเช่นอย่างเราอยู่ในวัดนี้ก็เป็นความสงัดอย่างความสงัดที่อยู่ในที่เปลี่ยวเปลี่ยวซึ่งเป็นไปด้วยสัตว์ ร, ร้ายอันเป็นเหตุให้มีความระแวงภายในจิตใจให้เกิดความกลัวความหวาดเชียวอย่างนี้จัดว่าเป็นความสงัดอีกประเภทหนึ่ง ในบรรดาแห่งความทั้งหนักทั้งหลายเราอยู่ด้วยกันหลายคนหรือหลายองค์แน่จะไม่มีการพูดการจาต่างคนต่างอยู่บนพุติหรืออยู่ในที่ของใครของเราอย่างนี้ก็จับว่าเป็นกายวิเวกได้เหมือนกันแต่เป็นกายวิเวกท่านอยาก กายเวทชั้นที่ละเอียดเข้าไปกว่านี้นได้แก่อยู่ในที่วิเวศเช่นนี้ด้วยและเป็นสถานที่เปลี่ยวน่ากลัวด้วยมีจัดว่าเป็นคอมเวทชั้นละเอียดเข้าไปกว่า ความวิเวกบื้งต้นที่กล่าวแล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ให้อนุสาร์าตริงสอนถึงความทั้งหนักหรือความวิเวกเป็นสิ่งสำคัญแก่บรรดาสาวกทั้งหลายเราจะเห็นได้เวลาที่เราอยู่ในที่วิเวกธรรมดาอย่างนี้ เกี่ยวกับอยู่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนแลวเราจากสถานที่นี้ไปสู่สถานที่ตัวเกี่ยวและอยู่องค์เดียวด้วยความรู้สึกของเราจะรู้สึกว่าแปลก่าที่เราอยู่ในสถานที่เช่นี้ไจอีกมากเพราะอยู่ในที่เช่นนี้แม่จะมีความมิเรยกสงัดก็ตาม แต่ใจที่ไม่มีความกลัวไม่ระวังภัยอะไรก็เป็นเหตุที่ทาใจมีความนอนใจหิรตร omat โดยมีรู้สึกตัวแต่เมื่อก้าวเข้าไปสู่สถานที่สงัดทิเวกและเป็นสถานที่ตะเกีวยวน่ากลัวด้วยแล้วนั่นแหละความระวังภัยทั้งหลายปรากฏขึ้นภายในใจ ผู้ที่มีความมุ่งต่ออัตตต่อธรรมจริงๆแล้วสติก็จะต้องตั้งขึ้นในขณะนั้นตั้งขึ้นไว้กับจิตของตนเองน้อมถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธทเจ้ า, าพระธรรมเรื่อสงฆ์เข้าให้แนบสนิทติดกับใจของตนเองจริงๆเพราะเหตุใดก็เพราะว่าเรามี ที่พึ่งเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นหลักแห่งใจของเราเมื่อจิตมีความกลัวเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งจะ น, น้อมเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือน้อมเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้าไว้ที่ใจของเราความทั้งเผลอก็มีจํานวนน้อ ย, อยเพราะหากว่าเผลอไปเสียในขณะนั้น ถูกเวลามีอันตรายเกิดขึ้นภายในตัวบกของเราก็เป็นเหตุที่จะให้เสียทีจิตจะพลาดจากาติไปเสียทีก็เป็นเหตุจะให้เสียในขณะนั้นเพราะเห็นนั้นท่านผู้ที่อยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆจึงเป็นผู้ที่ตั้งสติล่ายิตแทบจะพูดได้ว่าตลอดเวลามีในขั้นของจิตที่เป็นขั้นอยาก คือจิตที่ยังไม่กล้าเข้าสู่ความสงบได้เลยก็จะกล้าเข้าสู่ความสงบได้ในเวลาหรือในสถานที่เช่นนั้นแต่จิตผู้ที่มีสมาธิที่มีความสงบได้บ้างแล้วเขายิ่งจะมีความละเอียดยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกถ้าจิตผู้ที่ก้าออกทางปัญญา ก่อจะเป็นเหตุให้มีความคล่องแคล่วในการพิจิริยานนาในสภาวะธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่รอบด้างทั้งภายในตูขของเราและนอกไปจากตัวของเราได้อย่างสบายอีกเช่นเดียวกันเพราะเห็นนั้นความสังหัดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสมณะของเราผู้มุ่งหน้าปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์สำหรับเราจริงๆ เราอยู่ในป่าธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งอยู่ในป่าที่เปลือกเปลียวซึ่งเป็นที่น่ากลัวเป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่ในภูเขาอยู่ในถ้ำในซอกเขาซึ่งมีอันตรายมากยิงกว่าสถานที่ธรรมดาและเป็นเหตุให้ระวังภัยอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน้วยแล้วสถานที่เช่นนั้นแหละผู้ที่มีความมุ่งประสงค์ ต่อธรรมะจริงๆและเป็นผู้ที่มีความกระหายสละเพื่อความเป็นความตายต่อพระธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆแล้วสถานที่เช่นนั้นแลและผู้เช่นนั้นแจะเป็นไปทั้งทางด้านแห่งความสงบ ทั้งทางด้านปัญญาจะเป็นไปได้อย่างรว่ดเรศแนวทางแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงดำเนินมาและสาวกทั้งหลายท่านได้ดำเนินมาตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านปรากฏชื่อดูนามท่านก็ดำเนินมาอย่างนี้ เพรหตุ น, นั้นธรรมะจึงควรจะกล่าวได้ว่าชอบเกิดในสถานที่สงับชอบเกิดในสถานที่เกียวเกี่ยวและชอบเกิดในในขณะหรือเวลาที่มีไผ่ผู้ที่มุ่งต่อธรรมะจริงๆแล้วธรรมะจะเกิดในเวลาหรือในสถานที่เช่นนั้น แต่ผู้ที่มีความขี้ขลาดหวาดกลัวมีความท้อแท้อ่อนแอก็ยิ่งจะเพิ่มกิเลสอาสวะตีไม่ดีถึงกับจะเป็นมาเป็นบอไปก็ได้และเป็นเหตุให้เสียคนเพราะสถานที่เช่นนั้นโดยไม่ต้องสงสัยทีนี้เราซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ลูกศิษย์ของพระสาวกของพระพุธทธเจ้าและลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้มีความเกรหารเราจะเป็นผู้เช่นไหลในขณะนี้เราทุกๆ ท, ท่านได้คาดเครื่องรบไว้เต็มตัวของเราบริฐานทั้งแปดนี้ทีเครื่องรบ ของนักรบภายในใจที่อยากว่ารบกับตนของตนเองเทเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนเองเป็นฆ่าติดต่อตนเองบริฐานทั้งหมดให้เราทราบว่าเป็นบริฐานของท่านผู้กระหาญเป็นบริฐานของท่านผู้ที่มีความเพียกรกล้าเป็นบริฐานของท่านผู้มีความขยันหมั่นเพียร คือพระพุทธทเจ้าของเัายกตัวอย่างใกล้บาทเป็นบาทของท่านผู้ประหารทีวรสะบงนบริหารทั้งแปเป็นบริหารของท่านผู้ประหารของท่านผู้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยไม่ใช่เป็นบริหารของท่านผู้เกียจคร้าน ให้เราตั้งหลายถึงทราบไว้อย่างนี้บริหารทั้งหมดนี้เราได้ครองไว้แล้ว ท, ทุกท่านโดยสมบูรณ์เราต้องสำนึกตัวของเราเสมอว่าเพศนี้เป็นเพศที่มีความรุดหน้าด้วยความเพียรไม่ทอถอยบาเพ็ญตนของตนโดยความมีสติมีความภาคความเพียรดีตลอดเวลา เห็นภัยซึงเกิดขึ้นภายในตนเองอยู่เสมอนี่แหละที่ว่าเป็นลูกจิตของพระพุทธเจ้าสมกับได้ทรงบริฐานซึ่งเป็นมาระบบดุกที่ตกทอดมาจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมาถึงตัวของเราจึงควรเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติอยู่ตลอดเวลา การฝึกขัดสติได้เคยอธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบหลายครั้งหลายหัวเนีตั้งอย่างไรจรึงเรียกว่าตั้งสติ mm hmm. เดินไปเฉยๆไม่มีสติไม่จัดว่าเป็นความเพีย อยู่ที่ไหนต้องเป็นผู้มีสตินั่งยืนเดินนอนตลอดความเคลื่อนไหวในจิตการทุกๆอย่างให้เป็นผู้มีสติระวังรักษาตัวอยู่เสมอเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสติสตินี้เองเป็นเครื่องชำระสิ่งมัวหมองหรือต้นเหตุได้แจกสังขารคือความคิด คามปรุงของใจเมื่อตาเป็นต้นได้กระทบสิ่งทั้งหลายมีรูปเป็นต้นจะต้องสัมผัสเข้าไปรับรู้ที่ใจถ้าใจไม่มีสติแล้วนั่นแหละที่เรศ จ, จะเกิดขึ้นในขณะที่สิ่งทั้งหลายเข้ามาสัมผัสถ้าเป็นผู้มีสติแล้วจะรู้ทันทีว่าอะไรที่มาสัมผัสในจิตใจของเี้ อำนาจของอสติจะทำให้รู้สึกตัวว่าตะเทือนกับสิ่งที่ผิวผิวที่ถูกอย่างไรถ้าไม่มีสติแล้ววันย่างค่ำคืนย่างลุ่มจะไม่เห็นเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่ก็จะมาตำหนิตัวของตัวว่าวันนี้กิจลุร้อนกิตไม่มีความสุกไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรร้อนทั้งกลางวันกลางคืนค น, นี่คือตัวผลเกิดขึ้นมาจากตัวเหตุ ที่จิตได้สัมผัสกับสิ่งใดเท่าแล้วตนไม่มีสติจึงไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นไปจากจิตใจของตนแต่เมื่อปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือความรุ่มร้อนรุ่งเฟอภายในใจิตใจแล้วเราจะมาตาหนิตัวผล น, นั้นมันเป็นไปไม่ได้แก่ต้องแก้ที่ต้นเหตุครื่องของความสัมผัส เหตุที่จะให้รู้เรื่องความตัมผัสก็เนื่องจากคนเป็นผู้มีสติถ้าไม่มีสติแล้วยังไรก็จะต่างสมความรุ่มร้อนขึ้นทั้งวันทั้งคืนทนไม่ไหวก็เทียบกันได้ในส่วนสกลนาใาเหมือนอย่างโรคภัยที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราเมื่อพนไม่ไหวร่างกายก็ต้องแตกมีเมื่อกิเลสมันรุมเข้าทั้งวันทั้งคืน โดยที่เราเปิดช่องเปิดโอกาสให้เปิดประตูให้กิเลสในด้านทวารภายในทั้งหกคือเปิดทางด้านตาด้านหูด้านจมูกด้านลิ้นด้านตายตลอดถึงด้านจิตใจเสียเองให้รับรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องสัมผัสธรรมาลม ภายในจิตทั้งหลายเหล่านั้นกับความรู้เข้าไปสัมผัสกันอย่างอิสระเสรีโดยไม่มีสติเป็นเครื่องหักห้ามหรือเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องรู้สึกไม่มีปัญญาเป็นเครื่องไกรตรองในจิตทั้งหลายที่มาสัมผัสนั้นนี่แหละเรียกว่าโรคภายในจิตจะกําเนิดต่ อ, ตอ น, นี้ เมื่อกำเริบเต็มที่แล้วทนไม่ไหวเพศก็ต้องแตกเช่นเดียวกับร่างกายแตกเพศแตกได้จากทนไม่ไหวหนึ่งทาความเสียหายในเพศของตนเองสองทนไม่ไหวก็สิดมีอยู่สองประเภทเช่นนี้การที่เราหาอยู่ที่พิเวสังัดก็เพื่อจะ ลบปลีกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพราะกำลังของเรายัางไม่เพียงพอหนึ่งแล้วก็เป็นแนวทางของนักปราดท่านดำเนินอย่างนั้นหนึเมื่อเราเป็นผู้ไม่มีกำลังและจะหาที่ซุ่มจ่อประกอบความภาคความเพียรเพื่อให้เป็นความสะดวกในการรักษาจิตใจของเราเราจึงจำเป็นต้องแสวงหาที่สังัดทีเว เมื่อไม่มีของสแสลงคือรูปเสียงสิ่นรดมาสัมผัสกับตาหูจมูกเิ้นกายสลอดใจของเราอยู่ได้เรื่อยพยายามบำรุงจิตใจของเราเรียกว่าหายามับพอกแผลของเราซึ่งเคยมีอยู่แล้วให้ค่อยหายไปแล้วพยายามกักกันสิ่งที่เป็นของสแสลงไม่ให้มารบกวน พยายามรักษาแผขงเราที่มีอยู่ให้ค่อยหาไปเป็นลำดับันั่นจะเป็นไปเพื่อความสงบวิธีการที่เราได้พยายามมาอยู่สถานที่สงัดหาอุบายประกอบความภาคความเพียรไปตนเอง อ, องีอู่เสมอจกนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ง ท, ที่จะมากระทบภายนอกพยายามปีก ตัวของเราให้ห่างใจจากกิ่นเหล่านั้นก็เทียบกันได้กับบุคคลที่ระวังของสแสลงและพยายามกินดุกกินยาโรคก็จะค่อยๆค่อยหายไปเป็นลำหนับให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เวลานี้เราเห็นว่าอะไรซึ่งเป็นภัยที่สุด ขณะนั่งอยู่ใน บ, บัดนี้ก็คือเรื่องหัวใจที่เกี่ยวกับอารมณ์มีเองที่เป็นภัยต่อเราทุกตัว น, น, นี้เลสก็คือหัวใจที่สั่งสมอารมณ์มาเผาลนตนเองโดยไม่มีสติเป็นเครื่องจำกับราาักษาไม่มีปัญญาเป็นเครื่องชำระมิมีไฉัยตัด ส, สินทั้งหลายเหล่านั้นให้ห่างออกจากใจของตอนเองนี่เป็นภัยที่เุด สำหรับผู้ที่จะต้องการก้าวให้พ้นจากคุกสิ่งทั้งหลายเรลามี้ก็กลายเป็นผัดถ้าเป็นผู้มีปัญญามีสติระมัดระวังรักษาจิตใจของตนอยูเสมอภัทยที่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุที่กล่ามนี้ก็น้อย แล้วความสงบเงยือกเย็นภายในใจก็เริ่มจะเกิดขึ้นเป็นลาดับแนวทางของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ชำระตัวของท่านจนได้มาเป็นครูสอนเราท่านดำเนินอย่างนั้นมีความระมัดระวังตัวอยู่เหมือนกับแม่เนื้อระวังนายพรานแม้จะไปหาอยู่หากินที่ไหนก็าตาม ผลที่สุดกำลังที่จะกืนลูกไม้หพื่อหารอยู่ก็าตามแม่นี้อาจจะต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาตัวในพารหรือสัต์ร้ายมีเสือเป็นต้นจะมาทำอันตรายแก่ตนของตนเราซึ่งเป็นลูกติดของพระพุทธเทจ้าก็ควรทำตัวเหมือนกับแม่นี้รนะวังสิ่งที่จะมาเป็นภัยต่อตอนของตนมีลูกเียงสีมดเป็นต้น ให้เป็นผู้มีความนะมัด ร, ระวังด้วยสติดูที่ไหนขอให้มีสติผู้ใดเป็นผู้ที่เริ่มหรือเป็นผู้เห็นสติเป็นของสําคัญเห็นความเขอะของตนว่าเป็นของสําคัญอีกเช่นเดียวกันผู้นั้นแหลจะพยายามปรับปรุรงความทั้งเขอทั้งตนเข้ากับสติได้แล้วจะกลายเป็นคนมีสติไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคนมีสติอยู่ตลอดเวลา การรักษาสติด้วยการพยายามที่จะทําให้มีสติตลอดถึงให้เป็นผู้มีสติจนเคยคินก็เช่นเดียวกันกับเด็กที่ฝึกหัดนั่งฝึกหัดเดินเบื้องต้นก็มีล้มลุกคลุกานเป็นธรรมดาแต่เมื่อฝึกขัดบ่อยๆและมีกําลังแข็งแรงขึ้นเด็กก็เลยกลายเป็นคนธรรมนานั่งได้ธรรมดา เดนได้ธรรมดาเดินได้ธรรมดาเช่นเดียวกับผู้ใหา่มีเรื่องของสติพุหัดที่แรกก็ต้องมีการการ่มรุกคุกรานแต่ถึงไรก็ตามสำคัญอยู่ที่การพยายามตั้งสติเสมอพยายามรักษาตัวอยู่เสมอจนกลายเป็นผู้มีสติและเป็นผู้เคยกินต่อความมีสติทั้งตน อะไรมาตัาผัสสติก็รับรู้ทันทีนี่เพราะความเคยกินแต่ถ้าไม่เคยกินแล้วและเป็นผู้ไม่สนใจแล้วไม่ทราบทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจิตใจจึงสั่งสมทีเดดขึ้นในเวลาที่เผลอตัวอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายทากันทราบไว้เงี่ยเป็นผู้มีสติตั้งอยู่ตลอดเวลา แน่ที่สุดเราจะกำหนดเพียงความรู้ความรู้จะขยับเขยื้อนหรือจะกระเพื่อมในเรื่องอะไรต้องรู้เราจะพิจารณาในอาการแห่งกายของเราหรือเราจะพิจารณาในสภาวะธรรมภายนอกถ้าเป็นผู้มีสติแล้วก็เป็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอก สติเป็นของสำคัญสำหรับความเพียรในทางด้านจิตใจแม้เรื่องภายนอกสติก็เป็นของสำคัญเหมือนกันคนที่เป็นบ้าเป็นบออย่างเราทั้งหลายเห็นอยู่นั้นคือคนไม่มีสติคนขาดสติแล้วก็เป็นบ้าเป็นบอมีเรียกว่าขาดสติอย่างเต็มที่ก็กลายเป็นคนเช่นนั้นขึ้มาใเราไม่เป็นคนเช่นนั้นแต่เราก็เป็นคนประเภทที่ว่าขาดสติภายในจิตใจทองตน ผลที่ปรากฏขึ้นก็ ค, คือความรุ่มร้อนแม้จะรู้สึกว่าตัวของตัวรุ่มร้อนตัวขงตัวไม่สบายก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าสาเหตุในความรุ่มร้อนนั้นเกิดมาจากไหนดโดยที่ตนของตนเองเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาไม่มีใครที่จะนำทุกข์คือความรุมร้อนนั้นมาให้เราเราเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาแต่เราก็ไม่ทราบว่า สังสมงด้วยเหตุใดนี่คือความไม่มีสติถ้า ม, มีสติแล้วต้องรู้อะไรมาสัมผัสทับความรู้สึกจะต้องรับรู้เมื่อมีสติแล้วจะก็ต้องรับรู้เข้าไปอีกว่าสิ่งที่มาสัมผัสนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดที่เลสขนาดหนักหรือเบาแค่ไหนต้องทราบทันทีการสึมผัสสติต้องสักผัสวิถี จนก ว, ว่าเรามีความทำนิทำนานดูที่ไหนบังคับสติทั้งตัวอยู่เสมอเราจะเห็นว่าเรื่องอันใดจะเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าการตั้งสติขางเราในเอียบททั้งสี่เว้นแต่หลับเท่านั้นให้พยายามตั้งอยู่เช่ น, นั้นจนเป็นความเคยชินหรือเป็นนิสัยนั่นแหละเราจะก้าวในทางด้านสมาธิก็ก้าวได้ดีเราจะออกทางปัญญาก็ก็ด้ ธรรมทุจะเหนือจากความมีสติไปไม่ได้สติเป็นเครื่องควบคุมตายเมื่อมีสติเป็นเครื่องํากับอยู่แล้วก็เชื่อนเดียวกับตัวโจรมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่แล้วโจรคนนั้นก็กลายเป็นคนดีไป ตอนที่เขาเป็นโจนหรือเขาไปขมโมยของใครๆนั้นตอนนั้นไม่มีใครกํากับรักษาเขาเขาก็ทําความทั่วได้ในขณะนั้นใจของเราซึ่งเป็นตัวโจนภายในเขาเป็นเช่นเดียวกันขณะใดที่เขามีมีสติเป็นเครื่องกํากับรักษาเขาดูแล้วเขาจะทําความเสียหายขึ้นมาไม่ได้ต่อเมื่อเผลอนั่นแหละเขาจะทําความเสียหายขึ้น ให้เกิดความรุนรอนภายในใจของเราได้ในขนาดนั้นทีนี้เมื่อมนนีสติเป็นเครื่องกากับรักษาอยู่เสมอบังคับจิตใจให้ตนให้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นค่าสิดต่อตนเองพยายามดัดแปลงจิตใจให้เข้าสู่หลักธรรมที่ตนตั้งไว้ นอาการสามพุสองนี้เป็นหลักธรรมทั้งนั้นนิลมหายใจก็ดีพุโทโธธรรมโมสังโฆก็ดีเรียกว่าหลักธรรมสาหรับเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตได้ทั้งนั้นเมื่อเรามีสติแล้วเราจะบังคับจิตใจของเราให้เข้าสู่หลักธรรมหลักใดก็เป็นเหตุที่จะให้เกิด อ, อุบายขึ้นมาเพื่อเป็นการซักทอกจิตใจของเราให้รับความสงบหรือเยือกเย็นลงไปได้เป็นลำดับ ที่เรามีสติติดต่อเมื่อความสงบด้ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วนั่นแหละความเพียรจะเริ่มขึ้นมาอีกขั้นหนึ่อองความอดทนต่อการตกรอบความพลาดความเพียรก็จะเริ่มขึ้นมาศรัทธาความเชื่อความเลิ่มใสในพระศาสนาหรือในมรรคผลนิพพานก็จะเริ่มปรากฏมีกำลังขึ้นมาเห็นชัดได้ภายในจิตใจของเราเอง การที่จะพยายามทำความสงบในเบื้องต้นนี่เป็นของสำคัญเพราะสำคัญที่การสร้างสติไม่ติดต่อกันเมื่อตั้งสติติดต่อจนถึงกับใจของเราได้รับความสงบแล้วตอนนั้นก็จะเป็นความสะดวกเป็ น, นำลำบับไป นี้เมื่อเวลาใจได้รับความสงบคือลงเป็นสมาธิได้แล้วในขณะเดียวกันเราก็ควรจะท้าปัญญาไขขคว่นตอนจิตั้งเราถอนขึ้นมาแล้วเพื่อเรื่องสมาธิกับเรื่องปัญญาจะได้เป็นคู่เคียงกันไปตามโอกาส ของตนของตนผู้ที่ติดสมาธิโดยมากเพราะไม่ใช้ปัญญาเป็นคู่เคียงสมาธิจึงกลายเป็นทำเลือด ก, กว่าเรื่องของปัญญาไปเสียโดยมากแทีท่จริงสมาธิเป็นต้นคุนเท่านั้น ปัญญาเป็นผู้แสวงหาทรับสมติหรือสมาธิเป็นเหมือนกันกับตู้หรือภาชนะสำหรับเก็บของที่ปัญญาหามาได้เมื่อจิตได้ถอนขึ้นมาจากสมาธิแล้วก็ควรจะใช้ปัญญาไก่กรองดูตามภาพฐันอายธนะ หรือในขันห้าจนกว่าว่าจิตจะมีกำลังทางด้านปัญญาพอทุ่งควรแล้วก็เข้าพักในสมาธิอีกมีทำสลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ เ, เหมือนนกับบุคคลที่ทำงานมีการทำงานบ้างมีการพักผ่อนบ้าง มีเดียดว่าความเพียรเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอสมาธิกับปัญญาก็เป็นคู่เพียงกันไปเดียกว่าเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอเรื่องปัญญาขั้นต้นต้องอาศัยการฝึกเช่นเดียวกับติดใจให้เป็นสมาธิภาคนภาพิภ พ, พิณิ่เดนาใยตรองดูเหตุดูผล เราจะดูในทางใตรรักษณ์ก็เหมือนกันเพราะใตรรักษ์ก็มีหลายชั้นใตรรักษ์ชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดประเททของปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้เห็นคุณซึ่งเกิดขึ้นจากตนเองแล้ว พอมาเป็นการที่จะต้องบังคับบัญชาย์เช่นเดียวกับปิตผู้ที่เคยได้เป็นสมาธิแล้วก็มีแต่จะเป็นสมาธิเรื่อยๆไปผู้ที่เป็นปัญญาแล้วก็จะเป็นปัญญาเรื่อยๆไปโดยไม่ต้องมีการบังคับบัญชายเมื่อถึงขั้นปัญญาละเอียดจริงๆเราอยู่ที่ไหนก็เป็นปัญญานั่ง อยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเน้นแต่หลับเท่านั้นในเอียบุตรทั้งสี่จะมีความไหวอยู่ด้วยปัญญาก็เห็นได้เพราะสิ่งที่จะมาสัมผัสเป็นการมาเตือนปัญญาให้มีความสะดุ้งตัวอยู่เสมอนั้นมันมีอยู่รอบด้านรูปก็จะต้องสัมผัสเข้ามาที่ใจ เสียงกลิ่นลดเสื่องสัมผัสแง่จะมาทางตางทางหูทางจมูกก็จะต้องร่วงไหลเข้าไปผิดใจปัญญาอยู่ที่ใจจึงต้องรับภาพทติอยู่ที่ใจจึงต้องรู้สึกตัวปัญญาจะต้องไขชวนทันทีที่สิ่งใดๆมาสัมผัสกับกจิตใจแต่เนี่ยถ้าปกปัญญาอยู่เสมอมีเมื่อจริงสัมผัสทั้งหลายเป็นเครื่องปลุกปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วปัญญาจะนอนใจได้ยังไง เพราะปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาที่เป็นไปโดยลาพังตัวเองหมุนกันอยู่เท่านั้นจะเรียกว่าธรรมจักก็ไม่ผิดวัตจักเราก็เคยทราบแล้วอันนี้จะเป็นนิวัตจักผูกมัดจิตก็เคยผูกมัดตนมามากน้อยเท่าไหร่นี้จิตก็จะต้อง พยายามแก้ไขตนเองโดยทางปัญญาจนกว่าจะไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตโดยนั้นสิ่งใดที่มาสัมผัสจิตปัญญาผู้ที่รักษารือเกิดขึ้นกับจิตยู่ทุกขณะหรือมีอยู่กับจิตตลอดเวลานั้นจะต้องนับภาพในสิ่งทั้งหลายอย่างน้นไปในตัวเนี่ะที่เรียกว่าฟังธรรมทั้งกังมันกลางทีฟังได้ที่จิต ในระหว่างจิตกับอารมณ์ที่มาสําผัดในระหว่างจิตที่เกิดขึ้นตรุงอารมณ์ขึ้นพอกระเพื่อมแพ็ปปะจรู้ทันทีหนีวิธีการของปัญญาเดินเดินไะจนกระทั่งถึงไม่มีเวลาดยุยาวกลางวังกลางคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นปัญญาจะต้องไหวตัวดีเช่นนั้นโดยไม่มีใครมาบังคับ มีปัญญาคันนี้เป็นปัญญาที่เพิศเกิดผู้ที่ไม่รบพอบคอบก็อาจจะเห็นว่าปัญญานี้เลิศยิ่งกว่าทางสมาธิเป็นเหตุที่จะให้ไปอย่างแบบที่ว่าตะเบิดเปิดเปิงอีกเหมือนกันที่ถูกสมาธิก็มีคุณค่าในทางสมาธิปัญญาก็มีคุณค่าในทางปัญญาต่างก็มีคุณค่าประจําตนด้วยกันถ้าผู้มีปัญญารอบคอบในเรื่องปัญญาตนอีกครั้งหนึ่งแล้ว ผู้นั้นจะดําเนินปัญญาไปให้เป็นความสม่ําเสมอดําเนินในทางสมาธิให้เป็นความสม่ําเสมอไปอีกเท่นเดียวกันเรียวกว่าไปด้วยความราบรื่นสมาธิกับปัญญาเป็นผู้เคียงกันไปมีเรียวกว่าเป็นการถูกต้องและไม่ล่อแหลมต่ออันตรายด้ยวย ปัญญาในเมื่อได้หมุนตัวไปถึงขนาด น, นั้นแล้วจะไม่มีเวลาผูกมัดตัวเองมีแต่้าจะแก้ตนโดยถ่ายเดียวความเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสารก็มีกำลังมากแห่ที่สุดก็คือความมาเห็นโทษในความตรุงของตนเองมาเห็นโทษในความคิด หรือในใจของนเองเป็นส็วนมากเพราะเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องสัมผัสเหล่านั้นปัญญาขั้นกลางก็สามารถถ อ, อนออกมาได้เลยรูปเวทนาทัญญาสังขารยินยางเสียงปัญญาขั้นกลางก็สามารถจะพิจารณาได้ ว่นจิตกับเจตสิกที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกันนี่ตัวจิตซึ่งเป็นรากฐานแห่งขันทั้งหลายนี้นั้นต้องเป็นปัญญาข่านละเอียดจึงจะสา ม, มารถรู้ได้เมื่อปัญญาขัานละเอียด ได้มีนิสัยในเรื่องความรู้กับอาการทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นจากความรู้อยู่ตลอดเวลาความรู้อันนี้ซึ่งเป็นความรู้สังสมมาแต่จกักไว้รือเรียกว่าความรู้ที่เป็นอริชาความรู้ที่เป็นมาตต ได้ถูกปัญญาวินิจฉัยจิตลอดเวลาความรู้อันนี้ก็ทนตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันดันจะแตกกระจายตไปไม่มีอะไรเลยอเพืออำนาจของปัญญาขั้นละเอียดนีอะที่เรียกว่าปัญญาขั้นละเอียดมารู้จิตที่เป็นจิตละเอียดคือหมายความว่ายอด ของความหลงก็คือความรู้ประเภทนี้ท่านเรียกว่กาอิชชามีเรียกว่ายอดของความหลงหรือลากเงื่าของความหลงรากแก้งความความความหลงก็ได้หรือพ่อแม่ของวัตจักรได้แก่ความรู้อันนี้เองแต่ถ้าปัญญาไม่สามารถแล้วความรู้อันนี้เองเป็นความรู้ที่จะตปกอบพบกอบฆ่เกิดขึ้นมาเรียกว่าค่องเทีย่ยว หมายถึงความรู้ประเภทนี้เมื่อปัญญาได้เราขอบคุณทัดก่อจะเห็นความรู้นี้เป็นเช่นเดียวกับสภาวะธรรมอื่นอีกเช่นเดียวกันไม่เห็นว่าความรู้นี้เป็นเราด้วยเป็นของเราด้วยยังเห็นอีกว่าความรู้นนี้ก็เป็นภัยสํานหนักเรานะแล้วเราจะหาทางพิจารณาอย่างไรจึงจะเห็นชัดในความรู้นนี้ ปัญญาขั้นละเอียดส่วนทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วคือรูปเคียงสี่นอดเครื่องสัมผัสตาของจมูกลิ้นใจหรือรูปเบทธนาปัญญาสังฐานวิญ ญ, ญาณนี่เป็นส่วนหนึ่งดังไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าความรู้ซึ่งเป็นเจ้าตัวกาศของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อความรู้อันนี้ได้ถูกปัญญาขั้นละเอียดเช่นเดียวกันกับความรู้ที่เป็นความรู้อันละเอียดนี้ได้รู้เท่าทันกันแนะ่ความรู้อันนี้ก็เป็นความรู้ที่ดับได้เหมือนกันดังนั้นจริงรกว่าความรู้ประเภทนี้จัดเป็นไตรลักษณ์ได้แต่เป็นไตรลักษณ์ขั้นละเอียดที่สุดพอธรรมชาติไม่ได้ดับไปทั้งนั้นปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่นั่นก็ ก็ยุติกันไล่เหมือนกันเพราะหมดสิ่งที่จะพิจารณาหมดสิ่งที่จะแก้ไขไม่ทราบว่จะแก้ไขอีกอะไรอีกสิ่งที่คล้องในหัวใจก็มีธรรมชาติแบบนี้เท่านั้นอาการที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินี้ได้แก่พวกเวทนาทันยาทันขามิญญาทับเทียบถึงต้นมาก็าเป็นเหมือนตะวกกลิ่งก้านสาขาไม่ใช่เป็นของสําคัญเหมือนกับว่ารากแก้่รากฝอยของต้นไม้ อันนี้ถ้าพูดถึงาาลากก็ลากจริงๆลากของวัตจักถ้าพูดถึงยอดก็ยอดของวัตจักเพราะเป็นความรู้ที่ละเอียดที่สุดเมื่อความรู้ที่เป็นยอดของอภิชานี้ดับลงไปเท่านั้นเราจึง จะได้กดเครื่องลบของเราเรียกว่าเราได้ใช้ชนะเลยเครื่องลบคืออะไรศีลก็เป็นเครื่องหนึ่ข้าหนึสมาธิก็เป็นเครื่องหนึ่งข้างหนึ่เยปัญญาก็เป็นเครื่องหนึ่งข้างหนึ่งเยเรียกว่าสมาธิเราก็พักผ่อนไปได้อย่างสบาดโดยไม่กลัวว่าจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นจากการพักในสมาธิ ปัญญาแล้วก็พุิทพิจารณาได้อย่างสบายโดยไม่ต้องคิดว่าจะเป็นการโลดโผนในทางปัญญาหรือว่าจะเป็นความที่หายอะไรเกิดขึ้นเพราะเหตุของการเรีนปัญญาว่าจะมากไปหรือน้อยไปอย่างนี้จะไม่มีสิ่งสมาธิปัญญาได้รวมเข้าอยู่ในหัวงใจอันเดียวหมดหัวงใจคือบริสุทธิ์นั้น ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้คืออะไรจริงได้การกเพิ่มเติมว่าวิชาเป็นยอดของรัตรจักรเงาวิชาซึ่งเป็นเครื่องปกคลุมหุ่มห่อธรรมชาติที่แท้จริงไว้ได้สลายตัวไปแล้วธรรมชาติที่แท้จริงก็ไม่ีปัญหาจะอะสะพูดแน่นั่นเนี่ยท่านเรียกว่าทำตายตัวเรียกว่าทำหมดอีกหมดผล หมดเว ห, หมดปัจจัยไม่มีอะไรจะเข้าไปคึ้มทราบเลยในธรรมทาตมีผลแห่งการปฏิบัติเริ่มมาตั้งแต่การฝึกผลอบรมเบื้องตน้นกดถี่บังคับจิตใจของผนด้วยสติด้วยปัญญาเมื่อความแกราหานต่อความภาคความเพียรนับแต่บริฐานตั้งแต่ที่อธิบายมาตั้งแต่เบื้องตน้น เป็นอุปกรณ์ทุกๆชิ้นที่จะให้ก้าวเข้าสู่ชทยชนะที่อธิบายเมื่อสักครนี้ว่าธรรมชาติที่ตายตัวถ้าพุทธเจ้าท่านก็ก้าวมาอย่างนี้มาด้วยความลำบากลำบนสามก็เช่นเดียวกันพยายามอยู่างนั้นเอาชีวิตเขาแหลกเราจะ อ, าอะไรเขาแหลกก่อ ถ้าจะเอาความขี้เกียจที่คร้านความมาักง่ายความทอดแท้อนแอ้เข้าแลกผลที่จะได้จากการแลกของเ่านั้นคือวัต จ, ะจะักรตัวพลุที่จะมาพันทิศของเราอีกต่อไปถ้าเราเอาแบบพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องกำกับ หรือมาเป็นเครื่องดำเนินของเราแล้วเราจะเป็นไปข้อความสุดสิ้นจากการเกิดตายซ้ำๆสับๆทุกซ้ำๆสักๆเราจะได้ตัดปัญหาเหล่านี้ออกให้สิ้นโดยจะจัดกับใจของเรา ไม่มีอะไรที่จะมาติดต่อกับจิตใจของเราได้อีกแล้วเรียกว่าจิตนี้ได้ปราศจากการต้อนรับแขกแล้วแขกที่อาหล์ที่เคยเป็นมิดเป็นสหายเคยเกิดเคยตายเคยปุกเคยยากลำบากท่ำๆสากๆมาแล้วมาเหล่านั้นได้พลากจากจิติดวงนี้ไปแล้วตั้งแต่วันอวิชชาได้ดับไป มีผลแห่งการปฏิบัติด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจงเริ่มตั้งแต่ความสงบเยือยความมักน้อยสันโดษความมาเห็นแก่ปากแก่ท้องความกล้าหารต่อความภาคความเพียรพยายามตั้งสติตลอดเย็นละผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ยากในความเพียรซึ่งเราทามานั่น จะเป็นเครื่องตอบแทนเราด้วยความบริสุทธิ์หลุดค้นจากความทุกข์ทรมานทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องกดท่วงน้ำใจของเรามาเป็นเวลานานเราจะได้สิ้นสุดลงในขณะที่อวิชชาดับไปนั้นธรรมปัจจตังเรดิตะโบวินุหิพระพุทธเจ้าท่า น, นประกาศเอาไว้นั้นเพื่อใครเพื่อผู้ปฏิบัติเป็น ปฏิปุถุปฏิญญาญาสามิจินั่นเองจะเป็นเครื่องตัดสินใจของตัวเองขึ้นมาขอให้ท่านทั้งหลายเลยพากันมีความห้าวหาญือกระหารต่อการํำระค่าศึกซึ่งมีอยู่กับตัวของเราเราจะเอาความศึกในการหมั่ ยาวความสุขในการดูการจนการขบการชันการพักผ่อนจนเลยเขียนแดงทุกทุกเพื่อจะก้าวพ้นจากทุกทุกเพราะความภาคความเพียรทุกเพราะการรักษาสติทุกเพราะการแก้กิเลสอาสวะนี้ทุกเพื่อผลอันดี ให้เราเทียบเทียงตัวของเราเสมัยในเมื่อความขี้เกียจกิรานเกิดขึ้นความขี้เกียจกริรานนี้ถ้าลงได้เข้าครองหัวใจของไข่แล้วเพิ่งทราบว่าเขาจะไปทํา ง, งานอะไรก็ตามจะไม่สําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาได้เพราะความขี้เกียจกิรานนี้เป็นตัวทําลายทาลายทั้งกิจการทางโลกทําลายทั้งกิจการทางธรรม แม้เราทําความภาคความเพียรดีถ้าความที่เกียจขี้การได้เข้าไปครองในสู้เดียวเท่านั้นเองความเพียรต้องล้มละลายประทันทีเราจะเห็นว่าความที่เกียจขีค้านเป็นของดีพอที่เราจะเอามาไว้บนศีรษะคือหัวใจของเราพระพุเธจ้าไม่ได้ตรัสรูปเพราความที่เกียจขี้านสาวกทั้งหลายไม่ได้พ้นจักทุกข์เความที่เกียจขีค้านความพอแทนก่อนแอให้เราทั้งหลายได้ทราบมาอย่างนี้เป็นเครื่องบังคับหรือเป็นเครื่อง ถ้ดุดหัวใจของเรารอยู่เสมอว่านี้คือตัวภัยอย่างเดีายวความกล้าหารต่อความดีคว า, ามรื่นเลิงต่อคุณงามความดีคว า, ามพออกพอใจต่อศีลสมาธิปัญญาที่ตนจะพึ่งนำมืนไปไปเพื่อความแก้ทุกข์ซึ่งมีอยู่หัวใจของเราให้ถึงยมุทพุทโทนั้นให้ถือว่าเป็นของเลือกเพื่อ วันนี้ได้แสดงธรรมเทศนาตั้งแต่ต้นคือกายวิเวกจนกระทั่งถึงจิตวิเวกหรืออุปทิวิเวกความสนัดจากกิเลสทั้งหลายความหมดเชื่อเชื่อของกิเลสหมดไปแล้วชาติแห่งความเกิดก็ไม่มีนะอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังจนจุดขีดความสามารถเท่าที่ได้ปฏิบัติและรู้สึกเป็นอย่างไรขึ้นมาในตนที่ตนเอง แสดงให้ท่านทนาั้งหลายงทั้งตัวเหตุคือการประกอบทั้งตัวผลคือเป็นอย่างไรบ้างที่ท่านทนั้งหลายได้ฟังลำบากนี้หรืงไม่จําเป็นจะต้องตีการาอติีเบอร์เหมือนอย่างเบอร์ในร้อยในพันแสดงจาก เ, เหตุกับผลความสุขความทุกข์หรือความพ้นจากธรรมชาติีม่ดเย็นในแก่ตัววิชาแล้ว จากนั่นแต่เคลื่อนนั่นเป็นสิ่งที่เราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเมื่อถึงจุดถังแล้วจะทราบอายกุกรรมทุกคนโดยไม่ต้องถามใครแม้สาวกทั้งหลายซึ้นไม่เคยรู้มาก็ตามเมื่อได้รู้ขึ้นภายในถังแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องประทูนถามพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระองค์เจ้าเป็นศาสดราดานที่ไหนเดียวทางเทือกเขาหนาววันนี้ก็เห็นว่าขอสมควร เป็นความย t ติธรร่องนี้